ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกมีกุดุมพีคนหนึ่งอยู่ในแคว้นกาสิกะขามนั่นแหละไปที่ตลาดก็ไปนั่งอยู่ในตลาดเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาพาภรรยาเขามาเดินไปก็คือเข้าไปในตลาดใช่ไหมคนไปจ่ายตลาดคนมีคู่ก็พาคู่เข้าไปใช่ไหมไอ้ชายคนนี้ก็เลยมองเห็นผู้หญิงคนนั้นที่เลอโฉมก็เลยคิดตกหลงรักเมียคนอื่นเขาแล้วก็เลยหวนคิดว่าโอ้โหไอ้ความโลภตัวนี้มันร้ายกาจมากมันจะโยนเราไปในรก ในอบายมีใจสลดบรรลุปัเจกโพธิยามสถิตยอยู่ในอากาศสแสดงธรรมก็เลยเหาะไปเงื้อมเขามูลกะโอ้เนาะมีใจคิดชอบภรรยาชาวบ้านเขาหน่อยเดียวแค่นั้นนะ่ะสังเวชใจบรรลุเป็นบ้ารหารเลยโอ้สแสดงว่าคนมีบุญน่ะเนาะอีกเรื่องหนึ่งมีพ่อกับลูกคู่หนึ่งเขาเป็นชาวกาศิกคำเหมือนกันเขาก็เดินทางร่วมกันนะพ่อกับลูกทีนี้ในในระหว่างทางเนี่ยก็มีป่า ในป่านั้นก็มีโจรป่าซุ่มกันอยู่ที่ปากดงพวกโจร น, นั้นถ้าจับบิดากับบุตรได้ก็เอาลูกไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยให้บิดาไปด้วยสั่งว่าเจ้าจงไปนำทรัพย์มาไถ่บุตรของท่านเถิดถ้าหากว่าจับพี่น้องไร่สองคนก็ยึดน้องชายเอาไว้ปล่อยพี่ชายไปถ้าหากว่าจับอาจารย์ได้ก็ปล่อยลูกศิษย์ไปยึดเอาอาจารย์ไว้แล้วก็ปล่อยอันเทวาสิกไปเพราะพวกลูกศิษย์ก็จะไปเอาทรัพย์มาไถ่ตัวอาจารย์ไปด้วยความโลภในวิชาความรู้ ครั้งนั้นพ่อกับลูกนั้นก็รู้ว่าไอ้พวกโจรเนี่ยซุ่มอยู่ที่ตรงนั้นก็เลยทํากติกากันว่าเออเอ็งเนี่ยอย่าเรียกข้าว่าพ่อนะอชวนกันโกหกกันะพ่อลูกไปชวนกันมูสาว่าเอ็งอย่าเรียกข้าว่าพ่อนะถึงข้าก็ไม่เรียกเอ็งว่าลูกในเวลาถูกพวกโจรจับได้แล้วเขาถามว่าแกเป็นอะไรกันก็ต่างคนต่างพูดมูสาทั้งทั้งที่รู้แล้วก็แกล้งตอบว่าไม่ได้เป็นอะไรกันเอ็งก็ไม่ได้เป็นลูกของข้าข้าก็ไม่ได้เป็นพ่อของเอ็งอ่างนั้นอ่ะเรามา เล่นละครตบตาโจนสักพักหนึ่งดีกว่าทีนี้เมื่อทั้งคู่เนี่ยเดินออกไปพ้นดงก็คือไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วจะจับเรียกค่าถ่ายก็ไม่รู้จะให้ใครมาถ่ายคืนก็เลยปล่อยไปให้พ้นดงทีนี้เมื่อไปยืนอาบน้ําในเวลาเย็นลูกชายก็ชําระศีลของตนมาใคร่ครวญพิจารณาถึงศีลเห็นมุสาวาทนั้นเข้าอาไปหลอกโจนมานี่ก็เลยคิดว่าไอ้บาปอันนี้เมื่อเจริญขึ้นจกโยนเราไปในนรกไปแน่แท้ กรรมสกตานี้เกิดขึ้นก่อนนะอันดับแรกโอ้โหสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจริงเนี่ย้เราปล่อยใจให้เป็นบาปไปโกโหกเข้าบ่อยๆอย่างนี้เข้าตกนรกแง่แง่เลยเสร็จแล้วพอกรรมมาสกตาเกิดขึ้นมากพิจารณากิเลสนั่นแหละแล้วก็พิจารณาธรรมะนั่นแหละเจริญวิปัสสนาธรำปัจเจกโพธิยานให้สําเร็จได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ต, ตรงนั้นแหละแล้วก็สถิตอยู่ในอากาศแสดงธรรมให้พ่อฟัง เราะไปยังเนื้อเขานันท่ามูลกะเหมือนกันยังมีอีกเรื่องหนึ่งว่ามีอีกคนหนึ่งเป็นนายอำเภอในคล่าประวัติพระปเจกับพระเจ้าห้าองค์นะเป็นนายอำเภออยู่คนหนึ่งในกาสิกขามนั่นแหละทีนี้ก็บังคับให้คนฆ่าสัตว์ครั้งในเวลากระทําพลีกรรมมหาชนก็ประชุมแล้วก็กล่าวกับเขาว่าเจ้านายครับเราต้องการฆ่าเนื้อและฆ่าหมูเป็นต้นทําพลีกรรมแต่หมูยักษ์บ้างเถิดครับ การนี้เป็นการแห่งพลีกรรมแต่ค้าก็สมัยนี้ก็เออฤดูนี้เป็นฤดูเส้นสวงเหมืองงันจะต้องเอาไก่เอาหมูเอาเนื้อ อ, อะไรมาเส้นก็เลยกล่าวว่าเออพวกท่านจงกระทําแบบอย่างที่เคยกระทํามาในครั้งก่อนเถอะเมื่อก่อนเคยทํายังไงก็ทํากันไปพวกมนุษย์พวกลูกน้องก็ไปทําปานาติบาตมากมายมหาศาลเขาก็เลยมองเห็นปลาและเนื้อเป็นอันเมากมองเห็นสักตายเนื้อตายเนี่ ย, นยที่กําลังจะถูกฆ่ามากก็ราคาญใจขึ้นมา ร้อนใจขึ้นมาโอ้โหมนุษย์เหล่านี้ที่ฆ่าศักด์มีประมาณเท่านี้จักฆ่าตามคําของเราผู้เดียวเท่านั้นเออเราเนี่ยเป็นคนอนุ ญ, ญาตนะเขาจึงฆ่าอย่างนี้แล้วก็ยืนพิงช่องหน้าต่างเจริญวิปัสนาทำปะเจกโพธิยานให้เกิดสถิตในอากาศแสดงธรรมแล้วก็ไปเงื้อมเขามูลกะเป็นนายอำเภอนะอนุญาตให้เขาฆ่าสังเวชใจโอ้โเราเนี่ยบาปมากมายมหาศาลอนุญาตให้เขาฆ่า สังเวทใจแล้วก็เลยเจริญวิปัสนาบรรลุเป็นผ้าอรหันต์ตรงนั้นแหละแต่การเจริญวิปัสนานะผู้ที่เข้าใจแล้วต้องไม่ลืมว่าการเจริญนั้นต้องเป็นไปตามนัยยะแห่งปริญญาสามจึงจะเป็นการเจริญวิปัสนาอีกผู้หนึ่งก็เป็นนายอำเภอในแคว้นกาสิกะเหมือนกันทีนี้ในายอำเภอของเข้าเนี่ยเขาเป็นนายอำเภอที่เข่งคัดห้ามการซื้อขายน้ำเมาอย่างปวดขันอำเภอของเขาไม่ให้มีการกินเหล้าเมายาไม่ให้มีการซื้อขายเหล้า มหาชนก็พากาันถามว่าเจ้านายคอรัปเมื่อก่อนเวลานี้เป็นเวลางานที่เรียกว่าสุราฉันที่เรียกว่าสุราที่ดื่มกันในวันมหรสพพวกผมจะทําอย่างไรมันเป็นประเพณีในการดื่มเหล้าอ่ะเจ้านายในช่วงนี้ทำไงดีก็เลยบอกเออพวกท่านก็ทําเป็นเหมือนเก่านั่นแหละมนุษย์ก็พากาันทํามหารสพเดิมสุราก็เมากันอ่ะนะกินเหล้าเมาแล้วทําไงก็ทะเลาะกันดิจนมือแตกหัวแตกขาหักเท้าหักแล้ว ก, ก็ทุบตีกันบางคนก็หูฉีก ทะเลาะกันมากอ่ะถูกจองจําด้วยสินไหมใครที่ทะเลาะกันอ้าวตารวจก็จับไปจับไปก็ปรับนายอำเภอคนนั้นเนี่ยเห็นแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่าเราไม่อนุญาตคนเหล่านี้ก็ไม่ประสบทุก์เขาก็รําคาญใจว่า mm hmm. อู้ด้วยเหตุทางเท่านี้เนี่ยเราเป็นเจ้าคนนายคนถ้าปล่อยให้เขาทำบาปอากุศลอย่างเงี้ยอบาปที่เราปล่อยให้เขาทำา น, นั้นเนี้ยตกนรกเงี้อย่างเงี้ยแล้วก็ยืนพิงช่องหน้าต่างเจริญวิปัสนาบรรลุปเจเกโพธิยานแล้ว ก็สถิตยอยู่ในอากาศแสดงธรรมว่าพวกท่านอย่าเป็นผู้ประมาทแล้วก็เหาะไปยังเงื่อมเขานั้นถ้ามูลกระมือนกันวันเวลาผ่านไปพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นั้นต่างก็เหาะลงที่ประตูกรุงพาราณสีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไปอยู่ในกลุ่มของพระอรหันต์ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามธาตุใช่ไหมฝูงช้างก็ไปอยู่กับช้างม้าก็ไปอยู่กับมา้าคนขี้เหล้าก็ไปอยู่กับคนขี้เหล้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไปอยู่ร่วมกันกับพระอรหันต์ทั้งหลาย เมื่อถึงเวลาพิกขาจากรโลนแต่ น, นุ่งห่มผ้าเรียบร้อยเที่ยวโปรดศักดิ์ด้วยอิริยาบทมีการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นอันหน้าเลื่อมใสเพราะว่าพาระ้าหัน์ท่านเดินด้วยจิตใจที่มั่นคงจิตใจท่านสัมรวมไม่วันไหวก็เดินไปจนถึงประตูวงพระราชาก็ทอดพระเนตรเห็นพระคุณเจ้าเหล่านั้นคือเห็นพระประเจคพระพุทธเจ้าทรงมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้เข้าไปสู่พระราชนิเวศล้างเท้าทาด้วยน้ำมันหอน อังคาศคือประเคนด้วยขาชนิยโพชนิยะอันปนิธิปะทับนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญบัปรปชาในปฐ ม, มวัยของพระคุณเจ้าทั้งหลายดูช่างงดงามจริงโอ้แปลกนะพระคุณเจ้าทําไมนะบวชตั้งแต่ยังหนุ่มกันเลยบอกงั้นเมื่อจะบรรปชาในวนัยนี้คนอายุขนาดนี้เขาไม่น่าบวชกันหรอกแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายก็บวชต่างเห็นโทษในกามอย่างไรกันนะอะไรเป็นอารมณ์ให้พระคุณเจ้า บวชอาศัยเหตุอะไรทําให้บวชเป็นท้าปเจกับพุทธเจ้าท้าปเจก็เลยเล่าให้พระราชาฟังคนละเรื่องลําดับเรื่องเหมือนที่ว่าไปแล้วว่าอาตมาภาพเป็นเพื่อนของชายคนหนึ่งได้ดื่มน้ําของเพื่อนที่เขาไม่ได้ให้เพราะเหตุนั้นเนี่ยในภายหลังอาตมาภาพเลยรังเกียจว่าเราเนี่ยทําบาปไว้แล้วอย่าได้ให้บาปอย่าได้กระทําบาปต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงบวช กลัวจะทำบาปอีกก็เลยเจริญวิปั ส, สนาบรรลุปเป็นผ้าอรหันเลยกลัวจะมีบาปอีกเหมือนกันพระปัจเจกอีกองค์หนึ่งก็บอกว่าความพอใจบังเกิดขึ้นแก่อัตมาภาพเพราะเห็นภรรยาคนอื่นแอบรักเมียเขาอะนะเพราะเหตุนั้นภายหลังอัตมาภาพก็เลยรังเกียจว่าเรานี่ได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้กระทำบาปนั้นอีกต่อไปเลยเพราะเหตุนั้นอัตมาภาพก็เลยบวชพระปัเจกกับพทธเจ้าอีกองค์หนึ่งก็บอกว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตร โจรทั้งหลายเนี่ยจับโยมบิดาของอาตมาภาพไว้ในป่าอาตมาภาพถูกโจรเหล่านั้นถาม ท, ทั้งทั้งที่รู้อยู่ก็แกล้งพูดถึงโยมบิดานั้นเป็นอย่างอื่นคือหลอกว่าเขาไม่ได้เป็นพ่อเพราะเหตุ น, นั้นภายหลังอาตมาภาพจึงรังเกียจว่าเราได้ทําบาปไว้แล้วอย่าได้ทําบาปนั้นอีกต่อไปเลยเพราะเหตุ น, นั้นอาตมาภาพจึงเบื่พระปเจกับพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ก็เล่าว่าเมื่อพลีกรรมชื่อว่าสมมัยาคะปรากฏแล้วในมนุษย์ทั้งหลาย ก็พากันกระทําบาปกันคือพากันทําปาณาติบาตการฆ่าสัตว์อัตมาภาพปล่อยอมอนุญาตให้เขาฆ่าสัตว์กันเพราะเหตุนั้นภายหลังอัตมาภาพก็เลยรังเกียจว่าเราได้ทําบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ทําบาปนั้นอีกต่อไปเลยเพราะเหตุนั้นอัตมาภาพจึงบวชพระประเจดองค์สุดท้ายก็บอกว่าในการก่อนชนทั้งหลายในหมู่บ้านของอัตมาภาพสำคัญสุราและเมรัยว่าเป็นน้ําหวานจึงได้พากันดื่มน้ําเมา แล้วก็พาการชีพหายชนเป็นอันมากอาตมาภาพจึงยอมอนุญาตให้แก่พวกเขาเพราะว่าน้ำเหล้าน้ำเมาเนี่ยเป็นน้ำที่เป็นไปเพื่อความชีพหายหวังกันเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพก็เลยรังเกียจว่าเราได้ทําบาปไปแล้วอย่าได้ทําบาปนั้นอีกต่อไปเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงออกบวชพระปเจกก็เล่าประวัติให้ฟังคนละคาถาคนละเรื่องคนละเรื่อ ง, ค น, องคนละเรื่องให้ฟัง พระราชาพอฟังพระธรรมเทศนาของพระปัเจกขพุทธเจ้าเหล่านั้นก็มีใจเลื่อมใสก็เลยถวายผ้าจีวรและยารักษาโรคแล้วก็ส่งพระปเจกขพุทธเจ้าแม้พระปเจกขพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ทำอนุโมทนาแก่เท้าเธอก็พากันไปในที่นั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระราชาก็เลยเบื่อหน่ายไม่ยินดีในวัตถุ ก, การมทั้งหลายพระราชาเนี่ยพอฟังเออเนะาะพระปัเจกขพุทธเจ้าทั้งห้าองค์เหล่านี้ พขาได้เหตุนิดนหน่นอยหน่อยเขาก็ถึงความสลดสังเวชใจพระราชานี่ก็ชักเบื่อหน่ายเห็นโทษของกามทั้งหลายแลสเสวยพระกายาหารอันมีรสต่างๆก็ไม่ได้ทรงเรียกมีได้ทรงทอดพระเนตรพวกสตรีเลยโอ้ยมาเหวี่ยงสีไม่มององั้นหละชักเบื่อหน่ายเข้าไปทุกทีมีจิตใจเบื่อหน่ายก็เลยเข้าไปในห้องอันทรงเสด็จประทับนั่งกระทํากรสินบริกรรมที่ฝาสีเขา ก็นั่งดูฝาฝาเรือนนะฝาปราศาสต์ก็เหมือนกับเรามีกำแพงบ้านก็นั่งมองกำแพงอย่างเดียวทรงทำฌานให้เกิดดูกำแพงเสร็จแล้วก็ใส่ใจในกระสินเจริญกสินจนได้ฌานพระราชานี้ก็ทำกรสินบริกรรมแล้วก็ได้ฌานพอบรรลุฌานก็เลยติเตียนกามว่าหน้าติเตียนแท้ซึ่งกามเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นมีเสี้ยนน้ำมากกามเนี่ยเป็นสิ่งที่มีศัตรูมากว่างั้น เราซ่องเสพอยู่ไม่ได้รับความสุขเช่นนั้นโอยเพราะโทษของตามนี่แหละทําให้ก่อทุกข์ก่อโทษมากมายมหาศาลพระครรภ์ ม, มหสีของพระราชาก็เลยคิดว่าเออพระราชาพระ อ, องค์นี้สดับธรรมกถาของพระปเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายแล้ว<ๆ>ก็ทรงมีท่าทางเบื่อหน่ายไม่ได้ตรัสกับพวกเราเลยเอยพระราชาที่ช่วงนี้แปลกนะไม่เห็นมาคุยกับพวกเราเลยงั้นสมนกตกำนันก็พูดคุยกัน ฝ่ายพระนางมเหสีนี้ก็เสด็จเข้าไปในตำหนักอันทรงศิริษแล้วก็คอยจับดูซิว่าพระราชาช่วงนี้พูดอะไรบ้างพอเข้าไปถึงทวารตำหนักอันทรงศิริประทับยืนอยู่ที่ประตูอุทยานฟังเสียงของพระราชากําลังติเตียนกามติเตียนโทษของสีเสียงกลิ่นรสโภชณาอย่างนี้ก็เลยเข้าไปพูดว่าข้าแต่ทูลกับมอ่อมพระองค์นี้ติเตียนกามความสุขที่เช่นกับกามมาสุขไม่มี ห, หรือ และก็ภาลนาความสุขของกามให้พระราชาฟังว่ากามทั้งหลายนี่มีรสอร่อยมากสุขอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีคนเหล่าใดสร้างเสพกามทั้งหลายคนเหล่านั้นก็เข้าถึงสวรรค์อ้ยถามีแสวงหาความสุขจากรูปเสียงเปลี่นรสโพธิภาพมากๆไม่ต้องห่วง ล, อล้อเดี๋ยวก็ไปสวรรค์กันแล้วพระโพธิสัตว์เจ้าพอได้ฟังอย่างนั้นก็ติเตียนว่าเฮยเจ้าจงย่อยับไปเสียเถิดเจ้าคนถ่อยพูดอะไรแบงนั้น ขึ้นเชื่อว่าความสุขในกามทั้งหลายมีที่ไหนเพราะกามทั้งหลายมีแต่วิปริณามาทุกข์ทั้งนั้นวิปริแปลว่าแปรปรวนหาความยั่งยืนไม่ได้หรอกดังั้นความสุขในสีความสุขที่อาศัยรูปอาศัยสีเมื่อสีแปรปรวไปความสุขเหล่านั้นอ่ะจะเหลือไหมความสุขที่อาศัยเสียงเมื่อเสียงแปรไปความสุขเหล่านั้นจะเหลือไหม ความสุขที่อาศัยกลิ่นถ้ากลิ่นนั้นหมดไปความสุขเหล่านั้นจะเหลือไหมเพรา ะ, ะนั้นกามทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสมีแต่ความเปรอปรวนมีแต่ความไม่จีรังยั่งยืนมั่นคงถาวรอะไรแล้วพระองค์ก็กล่าวว่ากามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยทุกอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีชนเหล่าใดซ่องเสพกามทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกพระราชาเนี่ยโอ้โหฟังเนบสนใจในเรื่องนรกมากเพราะว่าถ้าหากว่าจิตใจหมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสมากๆนะ ใจมันไม่มุ่นอย่างเดียวใช่ไหมมันมีกายกรรมออกมาด้วยเจตนาเหล่านั้นก็เป็นกตังถ้าหากว่าเราไปหลงไหลข้างคล้ายติดใจในสีเสียงเปลี่ยนรถเป็นต้นเนี่ยสภาพจิตที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นอกุศลนะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ทุกข์ไหนอ่ะทุกข์ในนรกเป็นต้นนั่นแหละพระองค์ตัดว่านะนรกที่มีก็เพราะมีโลภะนั่นแหละถ้าไม่มีโลภะไม่มีนรกหรอก พอมีโทสะนั่นแหละจึงมีนรกพอมีโมหนะนั่นแหละจึงมีนรกถ้าไม่มีโลภะโทสะในใจของพวกเรานะไอคําว่านรกก็เป็นฟังคําผ่านๆไปเท่านั้นแหละถามว่าคุกเขามีไว้ทําไมเอาไว้ใส่คนชั่วนั่นแหละถ้าเราไม่ชั่วทําไมเราต้องไปเดือดร้อนใจในเรื่องคุกตารางๆใช่ไหมพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าเหมือนดาบที่รับคมดีแล้วช่วดเหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทงเหมือนห อ, อกที่พุ่งไปปัอกอกกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีก ลุมฐานเพลิงลุกขึ้นโพลงแล้วลึกกว่าชั่วบุรุษฐานที่เขาเผาร้อนอยู่จนตลอดวันกามทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกขยิ่งกว่านั้นอีกฐานนี่เคยเห็นไหมฐานก็คือพวกเหล็กเหล็กที่เขาไว้ไถานาถ้าเผาทั้งวันมันก็เป็นสีแดงเห็นไหมแดงโชนเนี่ยถ้าใครไปจับไปเปื้อนมันก็ร้อนมากรูปเสียงกลิ่นรบเนี่ยมันร้อนยิ่งกว่านั้นอีกเหมือนยาพิษชนิดร้ายแรงเหมือนน้ามันที่กําลังเดือดพล่าน เคยเจียวไข่ไหมถ้าปล่อหรือว่าเคยทอดอะไรสักอย่างนั้นน้ำมันกำลังเดือดเดือดนี้ถ้ากระเด็นใส่หน้านะโอหพองเลยเหมือนน้ำมันที่กำลังเดือดพล่าน oh. เหมือนทองแดงที่กำลังละลายคว้างกามทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นอีกเรียกว่าพูดตามภาษาคนได้ชานอ่ะ น, นะคนที่จะได้ชานนั้นจะต้องเป็นคนที่เห็นโทษในกามพระราชานี่ได้ชานก็เลยโหหมิ่นกามหนะ้าดูเลย พระโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมแก่พระเทวีอย่างนี้แล้วก็ทรงให้พวกอมาตประชุมกันแล้วก็ตรัสว่าดูก่ อ, อมาตผู้เจริญทั้งหลายพวกเธอจงรับราชสมบัติไว้เถิดชั้นจากบวชทั้งทั้งที่มหาชนพากาัน ร, ร้องให้ค้าควรอยู่นั่นแหละก็สะเสด็จลุกขึ้นประทับในอากาศเพราะดูฝาผนังจนได้ฌานใช่ไหมพอได้ฌานก็ทำอภิญญาให้เกิดพอทาอภิญญาให้เกิดก็เหาะได้เลย พอหาะแล้วก็ประทานโอวาสเสด็จไปสู่หิมพานต์ตอนเหนือนั่งทางอากาศนั่นแหละทรงให้สร้างอาสมณนะประเทศที่น่ารื่นรมบวชเป็นฤาษีในที่สุดแห่งพระชนมายุก็สเสด็จเข้าถึงพรหมโลกพรอองค์ตรัสแล้วพอองค์ก็ประชมว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสทั้งหลายที่เป็นของเล็กน้อยอ่ะไม่มีเลยบาปอาคุศนทูจริตนะมันไม่เละรอก ถึงจะมีประมาณน้อยบัณฑิตก็พากันข่มเสียได้เสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสสัจจะใช่ไหมกิเลสเป็นสัจจะข้อไหนกิเลสเป็นสัจจะไหมเป็นเป็นสมุทัยสัจผลของกิเลสทั้งหมดเป็นทุกขสัจผู้ใดที่ละกิเลสได้ทำที่สุดแห่งทุกขนั้นเรียกว่านิโรธสัจผู้ที่ปฏิบัติ ด, ด้วยอํานาจของสัมมาทิฏฐิ มีกรรมมสกตาสัมาทิฏฐิเป็นต้นไปชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเห็นนิโรธสัจการปฏิบัติอันนั้นเป็นมัคคสัจโอจบสัจจะแล้วได้เชื่อสัจจะก็อย่างนี้นะจำไหมนะสัจจะสัจจะบางอย่างควรกําหนดรู้ทุกศาสตร์ควรกําหนดรู้สัจจะบางอย่างควรละคือสมุทัยสัจสัจจะบางอย่างควรทําให้แจ้งคือนิโรธสัจสัจจะบางอย่างควรเจริญงอกงาม ให้ภัยบูร์ให้พ่อูนมากขึ้นเรียกว่ามัคคสัตมีสัมมาทิฏฐิทําความเห็นให้ตรงทําความเห็นให้ตรงในเรื่องกรรมและผลของกรรมทำความเห็นให้ตรงในเรื่อ ง, อ ง, ร, ง, ร, องรูปนามขันธ์ห้าเป็นต้นเมื่อเห็นตรงอย่างนี้แล้วก็ใส่ใจพิจารณาในเรื่องนี้มากๆเป็นสัมมาสังกปะใช่ไหมคิดตามความเห็นอันนั้นตามความรู้อันนั้นเป็นสัมมาสังกปะ พอคิดแล้วก็พูดตามนั้นอ่ะคำพูดนั้นเป็นสัมมาวาจาคนนี้จะทำตามที่ตัวเองพูดก็เป็นสัมมากรรมันตะใช่ัหมการกระทำก็คือกมรมันตะคนที่พูดดีทำดีอาชีพก็บริสุทธิ์เรียกว่าสัมมาอาชีวะแล้วก็สิ่งที่เขาทำเหล่านี้ทำด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้ไม่ ท, อทอ้อถอยทำอย่างต่อเนื่องความเพียร น, น, นี้ก็เป็นสัมมา วายามะทำด้วยความไม่ประมาททำด้วยความไม่หลงลืมสติไม่ปล่อยใจให้ไปเป็นบาปเป็นอาภูลก็เรียกว่าสัมมาสติทำด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นสงบตามอำนาจของปัญญาที่กล่าวไปแล้วก็เป็นสัมมาสมาธิอันถ้าผู้ใดที่เจริญพอกพูนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดผู้นั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้ สาพุทธเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยพระสติผู้ไม่มีความประมาทผู้ไม่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปขอนอบน้อมแด่พระธรรมคําคสอนที่เป็นไปเพื่อล่วงขณะทั้งหลายขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ไม่ปล่อยการเวลาล่วงเลยไปให้ปราศจากสติขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโ ย, ยนทั้งหลายนี่ก็อีก อาทิตย์หนึ่งซึ่งเราร่วมฟังธรรมกันส่วนใหญ่ในวันอาทิตย์นั้นก็เอาพระธรรมในพระสูตรต่างๆบ้างในชาดกบ้างมาสลับพระเคล้ากันไปทําให้เราได้มีข้อมูลในการพิจารณาพระธรรมในชีวิตนั้นชีวิตของเราทั้งหลายถ้าเป็นชีวิตที่ขาดพระธรรมก็เป็นชีวิตที่แห้งแล้งเหมือนกับบัวแ้งน้ำเหมือนกันเนี่ บัวที่ไม่มีน้าเป็นบัวที่มีแต่ความเหี่ยวเฉาไปชั้นใดจิตใจของเราทั้งหลายถ้าหากว่าทิ้งทมไปจิตใจของเราก็มีแต่เหือดแห้งเพราะว่าขณะที่กุศลธรรมไม่เกิดกุศลจิตไม่เกิดจิตก็เป็นไปกับโลภะโลภะนั้นเป็นความร้อนอย่างยิ่งโทสะก็เป็นความร้อนโมหะก็เป็นความร้อน ความร้อนที่เกิดจากอำ น, นาจของความโลภความโกรกความหลงเหล่านี้มันแผดเผาจิตใจของเราไปเรื่อยเรืเรารู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามแต่การแผดเผาสภาพจิตใจของเราก็มีแต่จะเหือดแห้งไปเหือดแห้งไปในที่สุดก็หาความสุขหาความสงบไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราอาศัยพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาช่วยราดรัดกล่อมกลาจิตใจของเรา ถ้าหากว่าพระธรรมได้ราดรถกล่อมกล่าวจิตใจของเรามากขนาดไหนใจของเราก็จะเป็นใจที่สงบเยือกเย็นเป็นจิตใจที่เป็นไปด้วยความสุขเป็นไ ป, ไปด้วยความเจริญและในที่สุดสภาพจิตที่เราได้อบรมด้วยพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคก็กลายเป็นจิตที่ได้ผ่านการฝึกผ่านการอบรมจิตที่ผ่านการฝึกแล้วเป็นจิตที่มีคุณภาพที่สุด อันพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระธรรมที่เป็นไปเพื่อการฝึกฝึกกายฝึกวาจาแล้วก็ฝึกความคิดทําให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ตรงตรงต่อความจริงความจริงได้แก่อะไรอย่าว่าอะไรจริงที่สุดความจริงมีสองอย่างความจริงอย่างหนึ่งเขาเรียกสมมุติสัจจะสัจจะแปล ว, ว่าความจริงความจริงอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าปรามาทสัจจะ ความจริงแบบสมมุติสัจจะนั้นก็คือความจริงแบบผู้นี้เป็นพ่อเป็นพี่เป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเป็นพี่เป็นน้องเป็นมิตรเป็นเพื่อนลักษณะนี้ก็จริงแต่ความจริงลักษณะนี้เป็นจริงในชั้นสมมุติแล้วก็ความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือความจริงในชั้นจริงจริงๆแล้วก็จริงแท้ด้วยเขาเรียกว่าจริงแบบประมตทสัจจะอย่างขัน ธาตุอายตนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความจริงสัจจะอริยสัจ ก, ก็เป็นความจริงปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็เป็นความจริงอันนี้คือความจริงสูงสุดความจริงที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นความจริงที่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นนั้นเป็นความจริงที่น่าใฝหา่หาน่าสแสวงหา เพราะบุคคลผู้ปล่อยให้ความจริงเหล่านี้ผ่านไปโดยที่ไม่เข้าถึงความจริงเหล่านี้ชีวิตของบุคคลเหล่านั้นก็เป็นชีวิตที่เป็นหมันเป็นชีวิตที่น่าสงสารเขาปล่อยการปล่อยเวลาปล่อยชีวิตผ่านไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์ผู้ที่ปล่อยการเวลาปล่อยชีวิตผ่านไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์นั่นแหละเรียกว่าคนประมาท คนประมาทก็คือคนที่ไม่สามารถที่จะเจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องดันการที่เราได้มีโอกาสฟังธรรมอ่านพระธรรมสนทนาธรรมพูดเป็นธรรมแล้วก็คิดเป็นธรรมสิ่งเหล่านี้แหละจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยเจริญงอกงามงอกเงยในคําสอนของพระผู้มีพระภาคเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญโดยถ่ายเดียว ถ้าหากว่าเราปล่อยไปโดยที่ไม่สแสวงหาสิ่งเหล่านี้ชีวิตของคนที่ประมาทก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเคยได้ยินนะว่าคนประมาทคือคนที่ตายแล้วเพราะชีวิตของเขาสักแต่ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีคุณงามความดีพอที่จะให้เจริญไม่มีคุณงามความดีพอที่จะให้งอกเงยไปได้กายกรรมก็เป็นไปกับบาปพูดก็พูดด้วยอํานาจของจิตที่เป็นบาป คิดปรคิดแต่ด้วยจิตที่เป็นบาปชีวิตของเขาเป็นมนุษย์แต่สภาพจิตใจของเขาเนี่ยต่ำสามถ้าหากว่าร่างตายปฏิสนธิผวังขจิตที่เป็นจิตชาติวิบากเขาเรียกว่าวิบากและกรรมชรุปวิบากกรรมมชรุบเหล่านี้ถ้าดับไปแล้วเขาก็จะไปปฏิสนธิในภพที่ไม่ควรไปเป็นภพที่ไม่ควรเข้าถึงอบายทุกขติวิบากนารกนั้นเป็นภพที่ไม่ควรเข้าถึงไม่ควรได้ แล้วก็หาความสุขความเจริญไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนที่ปล่อยให้ชีวิตล่วงเลยไปเป็นชีวิตที่น่าสงสารมากวันนี้ก็จะขอยกข้อความในคำภีร์ชาดกทศารัทธาชาดกพระเจ้ารถสิบทศรอทสอ่ะทศรถก็คือมีรถสิบคันมนะันก็คือพระผู้มีพระภาคสมัยที่พระองค์ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบกุฎุมี ผู้บิดาตายแล้วคนหนึ่งก็คือมีลูกคนหนึ่งลูกนี้ก็พ่อตายผู้ที่เป็นลูกนี้ก็อายุมากแล้วละ่ะก็คือเป็นกุดุมีก็คือว่าเป็นเศรษฐีและอายุสี่สิบห้าสิบแต่พ่อเขาก็สิ้นชีวิตตายจากไปพ่ออาศัยกุดุมีคนนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสพระธรร ม, มเทศนาในเรื่องกุดุมีนั้นมีว่าเมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้วก็ถูกความเศร้าโศกครอบงำ จึงทอดทิ้งหน้าที่การงานเสียทุกอย่างกิจการงานก็ไม่เป็นอันทมแล้วครุ่นแต่ความเศร้าโศกอยู่แต่ทายเดียวภาษาสดาตรวจดูลูกในเวลาใกล้รุ่งก็ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของเขาก็คือดูแล้วก็โอ้คนนี้เขามีบุญนะเขาสะสมบุญไว้แล้วตอนนี้เขาตกอยู่ในห่วงแห่งความเสียใจยที่พ่อเขาตายนี้จาก แต่บุคคลผู้นี้เป็นผู้มีอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิพันธคือถ้าหากว่าบุคคลผู้นี้ไม่ประมาทฟังธรรมของพระองค์จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระองค์ก็อาศัยพระมหากรุณาที่คุณเพราะว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ที่มีมหากรุณาเปี่ยมล้นไปด้วยกรุณาหวังแต่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์หมู่ประชุมชนเพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นได้รับความสุขความเจริญ วิธีใดที่เป็นไปเพื่อความเจริญพระผู้มีพระภาคก็จะทรงสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นพระองค์จึงเสด็จไปโปรดสัตว์โปรดสัต์ก็คือบินทบาทนั่นแหละในกรงสาวัตถีหลังจากนั้นพระองค์ก็เสวยพระกัญาหารเสร็จแล้วทรงส่งทิกสุทั้งหลายกลับก็คือตอนไปบินทบาทเนี่ยไปพร้อมกับพระเนี่ยเยอะในขณะที่ปายนั้นสมัยก่อน เขาบินทบาทไม่ได้เอากลับมาฉันที่วัดส่วนมากแล้วไปฉันที่บ้านโยมเลยไปบินทบาทบ้านไหนเขาเขาเลี้ยงพระองค์เดียวเลยสมมติว่าเขาไปรับบาดองคไหนก็ส่วนใหญ่ก็ไปฉันที่บ้านของโยมคนนั้นพอฉันเสร็จโยมบางคนอยากจะเลี้ยงเพนเอกก็เอาอาหารเนี่ยใส่ในบาดก็ถวายพระกลับวัดกองเขาจะทํากันลักษณะนี้ก็มีหลังจากที่พระที่สูงส่งกับพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จพระองค์ก็ให้พระรูปอื่นเนี่ยกลับไป ทรงชวนไว้เป็นปัดชาสมณะแต่เพียงรูปเดียวเอาไว้พระติดตามองค์เดียวก็พอแล้วก็เสด็จไปยังเรือนของกุดุมพีคนนั้นเมื่อตรัสเรียกเขาผู้นั่งถวายบังคมด้วยพระดำดาบอันไพเราะพระองค์ยังตรัสว่าดูก่อนอุบาสกคือพระเจ้าไปถึงก็ไม่ได้กล่าวคำที่หนักรุนแรงเผ็ดร้อนอะไรไปถึงก็ไปกล่าวด้วยเมตตาจิตกรุณาจิตหวังดีปรารถนาดี หวังจะอนุเคราะห์เกื้อกูลว่าดูก่อนอุบาสกเศร้าโศกไปทําไมทุกไปทําไมนอ้อเขาก็กราบทูลว่าพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเศร้าโศกถึงบิดากำลังเบียดเบียนข้าพระองค์เกิดมาก็มีพ่ออยู่คนเดียวเนาะใครก็มีพ่ออยู่คนเดียวแต่ทีนี้ว่าอุบาสกคนนี้เนี่ยเขารักพ่อเข้ามากคิดถึงพ่อพอพ่อตายนี้จาก็คิดถึง อันความทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพลาดจากของรักของชอบใจเนี่ยมันเป็นความทุกข์ความทรมานอย่างยิ่งมันก็เลยเสียใจมากพระพุทธมีพระภาคก็เลยตรัสว่าดูก่อนอุบาสกบัณฑิตในปางก่อนทราบโลกกระทำแปดประการตามความเป็นจริงเมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้วก็ไม่ได้ประสบความเศร้าโศกคนสมัยก่อนที่เขามีสติมีปัญญามีความรู้ความสามารถนั้นอะ ถึงพ่อตายเขาก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอะไรหรอกเพราะเขารู้จักโลกธรรมในโลกนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนต้องประสบโลกธรรมทั้งแปประการโลกธรรมทั้งแปประการก็คือหนึ่งความทุกข์กับความสุขใายพ้นบ้างไม่พ้นนะ